ส่วนสัมมาวาจาสัมมาวาจานั้นท่านบอกว่ากําหนดกําหนดอะไรคนเราเนี่ยนะถ้าไม่กําหนดก่อนแล้วพูดเลยนะอะไรจะเกิดนึกอยากพูดก็พูดไปเรื่อยไม่ได้กำหนดแยกแยะ ข, ข้อดีข้อเสียนี้เป็นมิจฉาวาจานี้เป็นสัมมาวาจานี้เสียหายมากเพราะฉะนั้นสัมมาวาจานเนี่ยเขาจึงมีปริฆหะคือถือเอาโดยรอบเหมาะนั้นเถอะถือเอาโดยรอบพิจรารณาให้ครวญเสียก่อนแล้วค่อยพูดเนี่ยนะ เพราะคำพูดที่ดีที่ถูกต้องนั้นต้องไม่ตกไปในมูสาวาจจะต้องไม่ตกไปในส่อเสียดเสียดสีจะต้องไม่ตกไปในคำหยาบจะต้องไม่ตกไปในเรื่องเพอร์เจอร์เรื่องไม่มีประโยชน์เนี่ยนะท่านสัมมาวาจาที่กาหนดกาหนดเพื่อให้เกิดวจีวิรัตสีประการเพื่อให้เกิดคำพูดที่เป็นคำศัพท์คำจริงะนะวาจาสัจจะเพื่อที่จะประกาศอริยสัจจะ คำพูดนั้นเป็นคําสัตย์คําจริงเป็นคําพูดที่อ น, นะไม่ส่อเสียดไม่เสียดสีเป็นคําพูดที่วิรัต ง, งดเวน้นเป็นคําพูดที่ไพเราะเป็นคําพูดที่มีประโยชน์ลักษณะของสัมมาวาจาส่วนสัมมากัมมันตะเนี่ยนะท่านบอกว่าสมุทฐานะบางท่านก็แปลว่าประชมุมบางท่านก็ทับศัพท์ว่าสมุทฐานสมุทฐานในที่นี้ก็คือ อ, อ เป็นการเว้นจากมิจฉากรรมมันตะวิรัตเว้นจากความชั่วทางกายเช่นฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะความชั่วที่น้อมไปเพื่อการฆ่าเพื่อการรักการประพฤติผิดในการหรือประพฤติอพรรมจันทร์ผลสัมมากมันตะตัวนี้เนี่ยเป็นที่เป็นสมุดฐานให้เกิดการสังวรวิรัตงดเวน้นส่วนสัมมาอาชีวะก็คือความผ่องแผ้วความผ่องแผ้วที่สะอาดทางกายแลย วาจาเนี่ยนะกายวาจาที่บริสุทธิ์เป็นกายวาจาที่ไม่มีโทษเนี่ยนะส่วนสัมมาวายามะก็คือประคองเอาไว้อย่างที่กล่าวไปแล้วส่วนสัมมาสติก็ตั้งมั่นในความเป็นอสุภะเป็นต้นสัมมาสมาธิก็ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอํานาจอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิทีนี้ถ้ารวบยอดรวบยอดเอาแต่สาระสําคัญของธรรมะเหล่านั้นมากล่าวว่า เอารวบยอดมาเลยนย ไ, ไม่ไม่ไม่เอาตัวสภาวะมาแจกทีละอย่างทีละอย่างแล้วเอาสรุปสาระแห่งอินทรีย์พระโพชงองค์มรติสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทเลยนัก็คือสรุปเอาตัวตั ว, ต ว, ตวโพธิปัฏฐานธรรมที่เป็นหัวข้อว่าอินทรีย์ทั้งหมดนี้เขาเป็นอธิบดีนะเขาเป็นใหญ่พระทุกพระเนี่ยเขาแน่นอนคือเขาไม่หวนไหวในข่าศึกทั้งหลายหรือข่าศึกทําให้เขาหวันไหวไม่ได้โพชงนี่นําออกจากปฏิบัติอย่างเดียว โทษชงนี่นําออกจากความหดหู่ความฟุง้งซ่านความหยุดความประมวลมานําออกจากการมสศุคลิกานุโยคนําออกจากอัตตะกิลมัฐานุโยคนําออกจากสัสตะทิฏฐินาออกจากอุดเฉททิฏฐิพราะเขานําออกจากปฏิบัติอย่างเดียวเพราะอริยมรรคบอกอมรรคเนี่ยเหตุให้ถึงนิพพานอย่างเดียว น, นะอริยมรรคนี้เป็นเหตุให้ถึงนิพพานในอริยมรรคเป็นเหตุละมิชฌาทิฏฐิละมิชฌาวาจามิชฌากัมมันตะมิชอาชีวะเป็นต้นเพราะอริยมรรคเนี่ยเป็นเหตุ ให้ถึงนิพพานกับเป็นเหตุละมิฉามัตตสติปัฏฐานก็ตั้งมั่นในท่านบอกว่าตั้งมั่นคือการเข้าไปปรากฏโดยเล่นลงไปเล่นไปเข้าไปปรากฏในอารมณ์คือสติปัฏฐานเข้าไปปรากฏคือสติชื่อว่าสติปัฏฐานก็ปรากฏที่กายเวทนาจิตและธรรมนะด้วยอํานาจถ้าปรากฏที่กายก็ถือเอากายโดยอาการไม่งาม ถือเอาการถือเอาเวทนาโดยอาการที่เป็นทุกข์ถือเอาจิตโดยอาการที่ไม่เที่ยงถือเอาธรรมโดยอาการที่เป็นอนัตตาสามารถสำเร็จกิจละสุขล ะ, ะไรละสุภาษัญญาละสุขะสัญญาละนิจสัญญาและละอัตตาสัญญาได้ท่า น, นสติปัฏฐานที่เรียกว่าตั้งมั่นเนี่ยตั้งมั่นใน อ, อ, อ, อ, อสุภะในความเป็นทุกข์ความเป็นอนิจจังและอนัตตาขณะเดียวกันก็ยังละวิปลาสทั้งหลายได้ อันนั้นเป็นลักษณะของสติประธานส่วนสัมมาประธานนี้บอกเริ่มตั้งตั้งความเพียรไว้โดยชอบสัมมาประธานตะตัวนั้นแต่ว่ากระทําด้วยความเป็นประธานน่ะ น, นะด้วยภาวะให้สําเร็จประโยชน์สูงสุดนั้นลักษณะของสัมมาประธานนั้นนะ่ะจึงเพียรเพื่อละกับเพียรเพื่อเจริญละบาปอากุศลเจริญกุศลเราทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนสภาวะที่สําเร็จแห่งอิทธิบาท อธิบาทนั้นท่านบอกว่าขณะที่เป็นโลกิยะเบื้องต้นบุปผาขันั้นจะเป็นอธิบดีเช่นชันทิธิบาทก็คือชันทาธิปฏิวิริยทีิบาทก็คือวิริยาธิปฏิจิตติที่บาทก็คือจิตตาธิปฏิวิมังสิตทธิบาทก็คือวีมังสาธิปฏินั้นในขณะเบื้องต้นเป็นอธิบดีขณะอริยมรรคนั้นทั้งสี่ประการนียประชุมกัน อ, ธ, อ, อธิบาททั้งสีนี่จะประชุมกันในขณะอริยมรรคแต่ถ้าเบื้องต้นก็เป็นอธิบดีคือหมายคถางว่าถ้ามีศรัทธาเป็นใหญ่ขณะนั้นก็เป็นฉันทิธิบาทถ้ามีความเพียรเป็นใหญ่ก็เป็นวิริยธิบาทถ้าจิตเป็นใหญ่ก็เป็นจิตติทิบาทถ้าปัญญาเป็นใหญ่ก็วิมังสิติบาทก็เจริญสลับคละเคล้ากันไปแต่ขณะที่อริยมรรคเกิดอิทธิบาททั้งสีก็ประชุมกันเนีนย่นยนะคือเรียกว่าสามัคคีกัน ส่วนการเจริญอินทรีย์พระพุทธชงองค์มรติประธานสัมมารประธานอิทิบาทเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ให้รู้ความเที่ยงแท้แน่นอนแห่งสัจจะให้รู้จกักสัจจะที่จริงแท้ที่มีสภาวะอย่างนั้นเนี่ยนะสภาวะตะถะเนี่ยนะตถาแปลว่าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละเป็นอย่างนั้นของทุกคืออะไรปีละนะเป็นต้นมันเป็นอย่างนั้นของสมุทัยก็คือ นำไปสู่ภพใหม่ความเป็นอย่างนั้นของพระนิพพานก็คือนําออกจากทุกข์ความเป็นเป็นอย่างนั้นของอริยมรรคคืออะไรก็คือนําออกจากกองทุกข์ดังนั้นถ้าแทงตลอดสัจจะเนี่ยต้องแทงตลอดด้วยอะไรด้วยประโยคะใช่ไหมอริยสัจจะเนี่ยนะที่จะบรรลุอริยสั จ, จอยู่เฉยๆแล้วมันพุ่งบรรลุขึ้นมาเองพุ่งขึ้นมาเหมือนความดํำไหยไม่ใช่แน่นอนนะนะพวกนี้มันต้องเกิดจากประโยคะเกิดจากความภาคเพียรพยายาม ทีนี้อริยมรรคเกิดขึ้นนี้ก็เรียกว่าประโยคะถ้าระงับประโยคะได้เรียกว่าปฏิปัสสัตธิระงับตัวประโยคะเป็นชื่อของมรรคปฏิปัสสัตปฏิปัสสัตถิสงบงนับเป็นชื่อของอริยผลเพราะฉะนั้นสงบมรรคด้วยผลถ้าแทงตลอดอริยมรรคถ้าอริยมรรคแทงตลอดอริยสัตสงบงนั้งด้วยสามัญญผลทั้งหลายก็พลานังสัจฉิกิริยัโถก็คือด้วยการทําให้แจ้ง ทำให้แจ้งตรงนี้ท่านอธิบายว่าทําให้แจ้งโดยปัจจเวกขณะยานการพิจารณาพระสมาบัติเนี่ยนะยกเอาพระสมาบัติยกเอาพละจิตนี่มาพิจารณาหรือทําให้แจ้งโดยการได้เฉพาะปฏิลาภเนี่ยนะการได้เฉพาะการเข้าถึงหรือที่เราเรียกว่าบรรลุส่วนพวกเนี้ยเป็นเป็นการแสดงธรรมไปตามลําดับเนี่ยนะว่าเนะี่ยคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะถ้าเอาแต่สาระนะ ใครบอกอ้ยเรียนทําไมเยอะแยะไปหมดเนะ่ยฉันจะเอาแต่แก่นสารก็พอเนี่เอาคําสอนเหล่าเนี่ยที่เป็นแก่นจริงๆเนี่ยนะแทบไม่ต้องอธิบายนะเอาแต่เนี่ยสภาวะมันเป็นอย่างนี้ก่อแล้วกันนะอ่ะโอหถ้าไม่มีสุตตันตในไม่มีชาดกไม่มีอะไรมาประกอบนี่ไหวไหมเนาะไม่ไหวเลยเนาะส่วนองค์ชาญเนี่ยนะวิตกตรกก็คือตรกคืออะไรจรดลงใช่ไหม ไอ้คำว่าตรึกในที่นี้ตรึกด้วยอํานาจเนคขมวิตกอัพยาปาท้าวิตกอวิหิงสาวิตกนั่นนะเมื่อตรึกด้วยเนคขมะวิตกเป็นโตนนั้นเป็นเกสินเป็นอสุภะพอตรึกเข้าไปด้วยอํานาจเนคขมว่อย่างนั้นวิจารณก็ตรวจตราเมื่อตรวจตราเสร็จปีติก็แผ่ไปสุขก็ไหลมาก็จิตก็เป็นสมาธิเนี่ย น, นะ <c oughs> วิตกวิจารณ์ปีติสุกเอกคตาใช่ไหมเอกคตาก็เกิดขึ้น ถ้าหากว่าวิตกนี่จดไปที่อพยาบาทคือเจริญเมตตาวิจารณก็ตรวจตาปีติก็แผ่ไปสุขก็ไหลมาจิตก็ตั้งมั่นเป็นเอกคตาถ้าหากว่าวิตกนี่จดไปด้วยอํานาจของกรุณาเนี่ยนะอวิหิงสาวิจาร์ก็ตรวจตาปีติก็เอิบอิ่มปีติก็แผ่ไปเอืบอิ่มเนี่ยนะสุขก็ไหลมาจิตก็ตั้งมั่นนั่นก็แล้วแต่ว่าจดด้วยอํานาจ อพยาปาทะอวิหิงสาหรืออัอะไรนะอพยาปาทะเนคข ม, มะนะเนคข ม, มะส่วนปกินกะเนี่ยนะปะกินกะก็คือหมวดธรรมทั่วไปเช่นว่าอาวัชนะโทเนี่ยนะก็คืออาวัชนะอาวัชนะปกตินี่มีกี่อย่างสองอย่างเนาะคือปัญจทวาราวัชนะกับมโนทวาราวัชนะท่านอาวชนะนั้นเป็นธรรมชาติที่คํานึง คำหนึงคำนึงก็คิดถึงมันต่างกันยังไงภาษาไทยนี่มันพูดยากยากอาวชนะก็แล้วกันนึกถึงตรารุปเอาไงกันน่ะอนึกนึกคำหนึงก็ได้นึกก็ได้ น, น ะ, ะปกตินี้อาวัชนะเนี่ยนะทั้งสองอย่างคือปัญจทวาราวัชนะกับมโนทวาราวัชนะท่านบอกว่าเป็นการน้อมไปในจิตสันดานในอารมณ์คือเป็นการออกจากภวังนั่นเองอาวัชนะทั้งสองตัวเนี่ยนะ เพราะมันเป็นตัวเริ่มวิถีจิตปัญจทวาราวัชนะก็ออกจากภวังมโนทวาราวัชนะก็ออกจากภวังเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่ตื่นตัวออกจากภวังอ่ะนะตื่นสี้ทีหนึ่งเลิกหลับแล้วผวังนี้มีกินบุญเก่าใช่ไหมทันก่อนที่จะเห็นนี่ก็ต้องอาวัชนะขึ้นมาก่อนก่อนจะได้ยินเนี่ยนะปัญจทวาราวัชนะก็เกิดขึ้นก่อนที่จะนึกขึ้นได้ในแต่ละเรื่องก็ต้องตื่นด้วย อาวัชณนะท่านอาวัชนะนี่ต้องเป็นตัวคำหนึงก่อนเพื่อนพออาวัชนะเสร็จเนี่ยนะจิตก็รู้แจ้งตัวตัวจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตคือรู้แจ้งรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธพภะธรรมอารมณ์เป็นต้นวิชานะเนี่ยนะจิตเนี่ยวิชานะจิตเนี่ยเป็นวิชานะแปลว่าความรู้เี่รู้แจ้งจิตรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ใช่ไหมรู้แจ้งซึ่งอารมณ์ รู้แจ้งรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะเป็นต้นส่วนปัญญาปะชานะแปลว่ารู้ชัดรู้ชัดรู้ยังไงรู้ชัดนะก็รู้ด้วยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นนั่นเองส่วนสัญญาล่ะสัญญาท่านบอกว่าสัญชานะจิตนี้เป็นวิชานะใช่ไหมปัญญานี้เป็นปะชานะส่วนสัญญานี้เป็นสัญชานะก็คือตรงนี้นิยมแปลว่าจาได้หรือสาคัญหมายอ่ะนะ จำได้กับสำคัญหมายต่างกันยังไงดงั้นท่านบอกว่าถ้าเป็นสำคัญหมายเนี่ยก็คือสำคัญหมายว่าสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงจําได้ว่าสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงต่างกันยังไงมันภาษาไทยมันจึงอธิบายยากเนี่ยนะงั้นท่านก็เลยนิยมทับศัพท์บอกว่าเออเนี่ยสัญญาก็แล้วกันเพราะคำพีท่านก็บอกสัญญาเป็นยังไงก่อนเนี่ยสำคัญหมายจาหมายว่าสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดง แต่สําคัญหมายว่าสีขาวก็เข้าโอทาตะกสินอย่างเงี้ยสาคัญหมายว่าสีเขียวก็เข้านีละกะสินเป็นต้นเพราะสัญญานี่มันตัวทําให้ได้ฌานเพราะฌานระดับสูงเขายกสัญญาเป็นหลักใช่ไหมวินอะไรนะเนวะสัญญานาสัญญายะตะนะพวกนี้อาศัยสัญญาณะระดับสูงเนี่ยยกสัญญาเป็นหลักเั้นสายสมถะยกให้สัญญาเป็นหลักเพราะสัญญาเนี่ยมันตัวให้ให้อุปจาระและอัปปนาเพราะสายสมถะทั้งหลายเขายกให้สัญญาเป็น เป็นใหญ่เช่นสําคัญหมายในสีขาวถ้าไม่สําคัญหมายว่าขาวขาวข า, วข า, วขาวจะไปเข้าโอทาตกระสินได้ยังไงถ้าไม่สําคัญหมายว่าแ ด, แดงแดงแดงแดงจะไปเข้าโลหิตตกระสินได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไอตัวสัญญาเนี่ยเป็นตัวใหญ่มากที่จะทําให้เจริญกรสินบริกรรมสําเร็จส่วนเออกเ อ, เอโกกัตโธเนี่ยนะก็หมายถึงสภาวะที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตัวธรรมเอกที่นี่คือตัวอะไร ตัวเอกกัคตาเอกกัคตาเนี่ยมันผุดจริงเนี่ยต่อเมื่อทุติยชานเกิดนะเอโกทิภาวะเนี่ยนะความที่เอกกัคตาเกิดขึ้นทํากิจของตัวเองได้ดีแท้จริงต้องขณะทุติยชานเพราะว่าปฐมชาตนี่ถูกอะไรวิตกวิจารณ์เนี่ยปกปิดเอาไว้หมดเลยนะวิตตกวิจารนี่ครอบงําหมดเลยตัวเองเลยไม่สามารถที่จะทํากิจได้เท่าเหมือนกับทุติยชาน เพราะธุติยะฌานนี้ครอบงําวิตกวิจารณ์ได้เพราะนั้นสมาธิในทุติยะฌานเอกคตาในทุติยะฌานจึงเป็นเอโกทิภาวะเป็นธรรมชาติที่ผุดขึ้นเนี่ยนะผุดขึ้นเด่นเลยนะส่วนยาตะปริญญาเป็นยังไงอภิญญาญาตาโถยาตยาตแปลว่ารู้ใช่ไหมรู้อะไรรู้สภาวะรู้สภาวะแห่งอภิญญาเนี่นเยเรียกว่ายาตะปริญญาเพราะั้นตัวตัวรู้สภาวะนั่นแหละเป็นลักษณะของ ยาตาปริญญาคําว่ารู้สภาวะนี่รวมถึงปัจจัยด้วยนะเพราะตัวปัจจัยก็ยังเป็นสภาวะอีกอยู่ดีสภาวะก็ประกาศถึงความความไม่ใช่สัตว์เป็นต้นนะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาพที่มีอยู่จริงไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเนี่ยนะนะส่วนปริญญายะตีรณโถตีรณะแปลว่าการพิจารณาการพิจารณาแห่งปริญญาก็คือตีรณะปริญญาพิจารณาอย่างไร อัตถกาถาท่านบอกว่าพิจารณาโดยอาการไม่เที่ยงเป็นต้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นดังลูกสอนตอนที่กําลังเพลินในลูกสอนเสียบแทงอล่ะแทงแต่ว่าไม่รู้สึกว่าถูกแทงอะไรใช่ไหมกลายเป็นอธิบายเรื่องกรรมเทพไปฉีบอีกเลยนะดีใจดีใจใหญ่เลยใช่ย แทนที่จะบอกโอ้ยนี่เจ็บปวดมากถูกลูกศอนแพงบอกถูกสอนการมมาเทพเข้าไปแล้วเลยดีใจใหญ่เลยคนนี้นั่ น, นไปโน่นอีกใช่ไหมก็เลยทุกข์กับเราหลงเพลดิดเพลินไปอีกนะ <c oughs> ส่วนประธานะท่านบอกว่าบริจาคบริจาคนี่บริจาคเลยบอกเอาและวบริจาคบริจาค ก, ก, ก็คือธรรมชาติที่สละนั่นเองหมายถึงว่าเป็นธรรมะที่เป็นค่าศึกะ <c oughs> ละสละธรรมที่เป็นค่าศึกด้วยอำนาจของ ปาหารปริญญาล่าอะไรก็ละวิปลาดนั่นแหละเลิกเพี้ยนสักทีหนึ่งเลบบิกบ้าบ้าสักทีหนึ่งบ้าว่าอะไรบ้าว่างามนี่ไงก็บอกว่าก <rire> <t art id> ารที่รับอารมณ์งามนี่เป็นความบ้าชนิดหนึ่งนะซึ่งมันไม่จริงนะ น, างา น, น, นี่ยความสำคัญว่าสุขนี่ก็เป็นความบ้าวิปริตอีกชนิดหนึ่งพระศาธรรมะเขาบอกว่าวิปริตเนี่ยนะความสำคัญว่างามนี่ก็เป็นความวิปริตชนิดหนึ่งความสําคัญว่าสุขก็เป็นวิปริตชนิดหนึ่งความสําคัญหมายว่าเที่ยงก็เป็นความ วิปริตชนิดหนึ่งความสําคัญว่าเป็นอนัตตาก็เป็นความวิปริตอีกชนิดหนึ่งมันพวกเราทั้งหลายก็วิปริตมารวมกันนะจริงหรือเปล่าก็ถ้าสําคัญว่างามเมื่อไหร่ขนาดนั้นนี่วิปริตแล้วนะก็สําคัญว่าตนนี่เป็นคนดีอยู่ใช่ไหมที่ไหนได้ในสายตาของพระพุทธเจ้าบอกวพวกนี้วิปริตทั้นงนั้นเหมือนกันเขาก็ไม่เที่ยงว่าเที่ยงไม่งามว่างามเป็นทุกว่าเป็นสุขมันเป็นอนัตตาบอกว่าตัวมีอํานาจนะนะคุมได้ดูแลได้ใช่ไหมจริงไหม ตอนฟังทำก็เป็นอย่างนี้แหละเชื่อพระพุทธเจ้าไหมตอนเลิกฟังก็ของเราอีกแล้วเรามีอำนาจถิ่จัดการได้อะไรได้ส่วนภาวนาละ่ะภาวนาภาวนาก็บอกเอกรสะก็รถเดียวให้อะไรรถเดียวก็ตัวนั้นไงสมถาวิปัสนาเนี่ยมีกิจเป็นอย่างเดียวรถตัวนั้นเป็นแปลว่ากิจมีกิจทำกิจอย่างเดียวกันเนะี่ยไง ทำกิจอะไรก็กิจละกิเลสนั่นแหละคือคือกิจเดียวหมายความว่าเป็นไปอย่างสม่ำเสมอส่วนถ้าภาวนาดีก็ต้องสัตว์ฉิกกิริยาคือการทำให้แจ้งทำให้ประสบประสบกับอะไรประสบกับพระนิพพานทำอริยผลให้แจ้ง